ทโสวัสดีค่ะท่านฟังที่กรบค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสันสนิษฐานาสถานีวิทยุครอบรครัวข่าวสทอร .fm 106นะคะดิฉันสันสนีษานาพงดํดำเนินรายการรายการนี้เป็นรายการธรรมะเรื่อต้นของรายการเราจะได้ฝึกปฏิบัติธรรมกับราจารย์ที่เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรเรนตนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีที่มีคอสปฏิบัติเป็นประจาทุกเดือน เดือนนี้ก็จะไปเริ่มต้นหลังจากวันลงประชามติคือวันที่8นะคะ เ, เดือนหน้าสิคะเพียงแต่ว่า เ, าเป็นคอสถัดไปและพระภิกษุรูปนี้ก็คือพระที่มาให้ธรรมะกับเราทางสถานีวิทยุนี้รายการนี้นั่นเองนะคะท่าน<ม>ฟังคะดิฉันกำลังจะพาท่านไปกราบนมัสการพระมหาภัยบูร์อภิปุลโนวัดป่าดอนไฮโซค่ะนมักการท่านคะ่ะเชิญ บ, บาน เรามาเริ่มกันฟังธรรมะด้วยกันฝึกปฏิบัติกันสักนิดหนึ่งธรรมะฟังที่จะเคยชินกับเรื่องของการปฏิบัติอยู่แล้วแล้วก็ทําไปตั้งแต่เริ่มต้นรายการไปเลยธรรมะฟังที่อาจจะยังไม่เคยชินคําว่าปฏิบัตินั้นก็คือการตั้งสติขึ้นนั่นเองคำว่าปฏิบัตินั่นก็คือการที่เราทําเอาธรรมะที่เราได้ฟังจากทางหูมาเข้าสู่ในใจของเราเราจะเอาธรรมะที่จากอยู่ในหูเราฟังแล้วจําได้ในสมอง เอามาเข้าสู่ใจที่มันห่างกันประมาณสักหนึ่งไม้บรรทัดเนี่ยจะเอาเข้าไปได้เนี่ยเราต้องตั้งสติขึ้นให้สมองกับใจเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะให้สมองกับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ไม่แบบไปคนละทิศละทางเราต้องตั้งสติขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่มีสติเนี่ยจิตของเราใจของเราก็จะถูก ด, ดึงไปทางหูบ้างไปตามเสียง จิตของเราใจของเราก็จะถูกดึงไปตามกลิ่นบ้างตั้าางจมูกเป็นต้นเพราะว่ามันจะไปตามกระแสดีกว่าเราจะไม่ให้จิตของเราไปตามกระแสให้มันมาอยู่ในร่องใน่อยๆก็ตั้งสติขึ้นในครั้งนี้เราจะให้มานึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่บอกสอนธรรมะไว้เป็นคนแรกเดี๋เวลาที่เราไปประเทศอินเดียไปตามสังเวชนีสถานสีจิตเราไปถึงพระพุทธเจ้าเนี่ย อันนี้ก็เรียกว่าเป็นพุทธานุสติหรือว่าเวลาที่เราผ่านวัดผ่านโบสถ์แล้วจิตเราก็ไปถึงพระพุทธเจ้านี่ยอันนี้ก็เป็นพุทธานุสติหรือบางทีเราเห็นต้นโพลเห็นใบโพก็นึกถึงโพธิญาณการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นพุทธานุสติการที่เรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้านั้นมีได้หลากหลายอย่างทำไมเวลาที่เรามานึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วจิตเราถึงมีสติตั้งขึ้นได้ เพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยจิตที่ไปถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นผู้ที่ไม่มีราคาไม่มีโทสะไม่มีโมหะผู้ที่ไม่มีราคาโทสะโมหะเรานึกถึงท่านเมื่อไรเนี่ยจิตใจมันก็จะสบายนะขณะนั้นก็จะไม่มีราคากลุ่มรุมไม่มีโทสะกลุ่มรุมไม่มีโมหะกลุ่มรุมเป็นจิตที่ดำเนินไปตรงทีเดียวบุคคลที่มีจิตดาเนินไปตรงเพราะปรารบพระพุทธเจ้าเนี่ย ย่อมได้ความรู้สึกต่ออัตตะย่อมได้ความรู้สึกต่อธรรมะย่อมได้ความปราโมทอันเกิดขึ้นในใจบุคคลที่มีปราโมทเพราะว่าอาศัยการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้านี้จะทาให้จิตของเขานั้นมีปีติขึ้นมามีความอิ่มเอิบใจความสบายใจเย็นๆอยู่ในภายในถ้าเรานึกดูดีๆเนี่ยเรานึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการอันใดอันหนึ่ง บางที่เราเห็นพระพุทธรูปแล้วก็นึกถึงธรรมะบทใดบทหนึ่งที่ท่านบอกไว้สอนไว้อาจิตใจเราก็มีปิติมีสุขขึ้นมาบุคคลที่มีปิติมีสุขเพราะว่าราระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้านั้นจิตย่อมเป็นสมาธิบุคคลที่มีจิตเป็นสมาธิอย่างนี้เนี่ยสามารถที่จะรับรู้เสียงเห็นรูปก็ไม่ไปตามกระแสะได้รับรู้แล้วก็วางเฉยได้เย็นอยู่ได้ นิ่งอยู่ได้เย็นอยู่ได้นิ่งอยู่ได้นั้นก็ประวัติสติที่ตั้งขึ้น น, นั่นเองบุคคลที่มีสติเพราะว่าการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าบุคคลนั้นเขาก็าจะได้หวาดทาให้มีสมาธิมีสัมมาสมาธิเกิดขึ้นได้เวลาเรามีสัมมาสมาธิแล้วบางทีความคิดนึกที่เรานึกถึงพระพุทธเจ้ก็ตามบางคนอาจจะนึกถึงคําว่าพุทธโธบางคนอาจจะนึกถึงสถานที่ต่างๆหมทธรรมต่าง ๆ, ๆที่ได้ฟังมานี่ย ความคิดนึกแต่างๆเหล่านี้บางทีมันระงับไปดับไปเบาบางไปการที่มีความระงับตรงนั้นเพราะว่ามีการปรุงแต่งของจิตระงับนั่นเองการปรุงแต่งของจิตที่ระงับลงระงับลงเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการที่เรามาเห็นเวทนาในเบทนาทั้งหลายเป็นเบทนานุปัสนาสตริปฐานการที่จิตของเรามีความเย็นลงสงบลงอันนี้ก็เรียกว่าเป็นจิตตานุปัสนาสตริปฐานคือเอาจิตเป็นตานที่ตั้งให้เกิดสติละ สติจของเรามีขึ้นสมาธิของเราก็มีมีสมาธิแล้วชื่อว่าเป็นผู้ที่มีพุทธโธอยู่ในใจของเราเแปลว่าพุทธโธนี้คือคุณธรรมันหนึ่งคุณธรรมันหนึ่งที่มีความเย็นมีความนิ่งมีความที่ระ ง, งับแต่่อเรามีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจเอาชื่อว่าคุณมีพุทธโธละอาจจะไม่ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าอาจจะไม่ได้นึกถึงคําว่าพุทธโธหรือพุทธานุสติในมันระ ง, งับไปแล้ว เหลือแต่สมาธิละมีคุณของพุทโธอยู่ในใจนันเรารักษาคุณของพุทโธให้อยู่ในใจของเราเนี่ยอยู่ตลอดทําให้อย่างต่อเนื่องเราเลึกได้เมื่อไหร่ก็ให้มาถึงที่นี่นั่นจะสามารถทําให้เราผ่านวิกฤตเรื่องราวต่างๆในชีวิตสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทํากิจการงานอะไรพูดเรื่องอะไรทํางานอะไรก็จะไปดีได้ ด้วยการที่เราเจริญตั้งสติไว้ในพุทธานุสติอย่างนี้นั่นเองเจริญปานใช่ทุกค่ะนะคะก็ฝึกกันไปเรื่อยๆทาบ่อยๆก็จะเจริญมากขึ้นโดยลําดับแล้วก็เดี๋ยวฉันพูดคํานี้ได้ไหมคะว่าเราจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองถึงการพัฒนาขึ้นของจิตถูกต้องเพราะว่านี้เป็นธรรมะไงธรรมะเนีรร่ยเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนเราสามารถรู้ได้แน่นอนว่ามันจะมีความก้าวหน้า ในเรื่องของอไม่ว่าจะเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจเราก็จะตอบสนองได้อย่างดีมากขึ้นนะทั้งความหนักหน่วงทั้งระยะเวลาเนี่ยเราจะเห็นได้หลายๆจุดตรงนี้ค่ะในการจัดรายการของเราเนี่ยก็เป็นการเริ่มต้นตั้งแต่เช้าตรู่บางคนถือว่าเป็นรายการของการรับอรุณในยามเช้า บางทีเราตื่นมาเราเจอแต่ข้อมูลข่าวสารซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข่าวที่น่ากลัวทั้งนั้นเพราะว่าเขานิยมเอาการกระชากความรู้สึกของคนเนี่ยมาเป็นพาดหัวใหญ่แต่จริงๆมันก็น่าตกใจน่าสนใจนะคะมันก็เลยทําให้ดูเหมือนกับว่าเ้เราเริ่มต้นวันด้วย อ, อะไรที่ไม่ค่อยดีทําอย่างไรเราถึงจะสามารถเริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกที่มวันนี้ดีจัง Oh, เป็นวัตถุจังแหมอันนี้มันมันง่ายมากเลยคุณโยมติวเราจะเริ่มรู้สึกคืออย่างห้องเนี่ยถ้าเราสิ่งของดำๆ้ามามันก็จะมืดๆถ้าเราสิ่งของดำๆออกไปเอากระจกมาติดมันก็จะสว่างจิตเราเนี่ยไม่ต่าง ก, กันกับเรื่องแบบนี้เลยแล้วเราก็เอาเรื่องดีๆเข้ามาในแทนที่คุณจะเริ่มชีวิตคุณด้วยการที่อ่านหนังสือพิมพ์ก่อนแต่ไม่ใช่คุณก็สวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิก่อนฟังธรรมะก่อน อันนี้คือเราเริ่มดีๆแล้วยังตัวทํามะเองอย่างเงี้ยพอรู้สึกตัวในยามสุดท้ายยังราตรีใช่ไหม <Okay. S 1> ก็จะแบบก่อนจะลุกจากที่นอนเลยก็จะแบบเอาความรู้สึกไปตามกายก่อนไอ้แขนเรายัางอยู่ไหมขาเรายัางอยู่ไหมอพอรู้สึกว่าตัวเรายัางอยู่นะเรายัางไม่ตายเนี่ยน ะ, อะพอพระเจ้ายังอยู่ไหมจะนึกถึงพุทธโธธัรโมโสังโกก่อนเลยก่อนที่จะลุกขึ้นด้วยนะ <Okay. S 1> จะนึกถึงพุทธโธธรรมโสังโกก่อนเลย พระพระทุทธเจ้ า, า, า, ย, ย, า, ย, า ย, ยังอยู่ไหมโอ้ท่านปรินิพพายไปละอ่ะแต่อย่างน้อยคําสอนของท่านยังอยู่พระธรรมยังอยู่ไหมโอ้พระธรรมที่แบบลึกซึ้งหายไปสูญหายไปก็เยอะแยะเอาแต่ที่มันยังมีอยู่เนี่ยมันยังทําให้คนบรรลุได้ไหมเอายังมีอยู่นั้นพระสงฆ์ยังอยู่ไหมหมู่ที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบโอ้โหหมู่ที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบสุดยอดด้านความรู้อย่างท่านพระสารีบุตรสุดยอดท้านด้านฤทธิ์อย่างท่านพระมหาโมคลนะโอ้ท่านไม่อยู่ละ แต่ว่าผู้ที่ยังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลสมาธิเป็นต้นเนี่ยยังมีอยู่ไหมเอายังมีอยู่แล้วเราจะนอนหาอะไรปึ้งขึ้นมาเลยนั่งสมาธิเลยนี่นี่คือแบบอ่านมาน ะ, ะ, ะจะจะนึกถึงเอาเอาจิตไปตามกายก่อนนึกถึงพุทธโทธธรรมโมสังโฆตามในยะนี้ลุกขึ้นนั่งสมาธิแผ่เมตตาแล้วก็ไปเก็บที่นอนเขจะไปไหนก็ค่อยไปเอาแค่สั้นๆบางทีช่วงเวลาเนี้ยเราจะไม่ได้พูดถึงเกินสิบนาทีด้วยซ้ำ เอาแคห้า okay. นาทีสิบนาทีตรงนี้อันนี้สิว่าเราเอาสิ่งดีๆใส่ในใจของเราแล้วนะค่ะสิ่งดีๆใส่ใ น, ในใจปุ๊บละคุณจะไม่อ่านข่าวรู้สึกพิมพ์คุณจะโทรศัพท์คุณจะไปใส่ก็อย่างน้อยเรามีสิบนาทีตรงนี้ให้เป็นนำสิ่งดีๆเข้ามาใ น, ในใจของเราอย่างนี้นะมันจะดีนะก็เหมือนกับว่าขึ้นอยู่กับเราที่จะเริ่มต้นอยา่างไรอยู่ที่เราเลือกเนะี่ยอยู่ที่เราเลือกใจ คือไม่ใช่ว่าพอตื่นปุ๊บเอามือเปย์ปะเปย์า ป, ปาไปเปิดวิทยุโทรทัศน์ดูข่าวเลยอ๋อคาว่าเขาจะเป็นเป็นไปได้นะคะอาเอาโทรศัพท์ไปไว้หัวเตียงอะไรอย่างเงี้ยนะมีโอกาสเจอเรื่องแบบนี้หรือบางทีทําอะไรออกมาก็ยังไม่ทันเจริญสติหรือนึกถึงในสิ่งที่เป็นมงคลเนา ะ, ะคนเราก็ต้องไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะบางทีไม่ได้เปิดเองหรอกข้างบ้านเปิดข้างห้องเปิดคนร่วมบ้านเปิดเราก็จะเปิดวันด้วย ข่าวร้ายๆกันเปลี่ยนวันทุกวันของท่านให้เป็นวันดีด้วยการเริ่มต้นวันของท่านด้วยตัวของท่านเองดังที่ท่านไผยบุญได้กล่าวในเลือกเอาซักวิธีหนึ่งท่านครับดิฉันเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ถึงสิบนาทีนะคะแล้วก็จะนึกทันทีที่ตื่นถ้าวันไหนไม่เผลอไผลก็คือจะนึกแผ่เมตตาให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้พอได้ไหมคะอ๋อดีดีเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีเลยค่ะเอ่อคือ พอจะมาแผ่เมตตาเนี่ยก็จะกรุณาด้วยมุทิตาด้วยอุเบกขาด้วยอย่างนี้นะก็จะโปรเมียนทั้งสีไม่ใช่เฉพาะกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะไปอย่างนั้นพูดถึงในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชาวพุทธเรียเข้าใจว่าถ้าฟังธรรมมากๆเนี่ยจะตอบคล้ายๆกันคือมักแปดทางดำเนินให้ถึงทางดับไม่เหลือของทุกข์ละสิ เพราะว่าในโลกนี้ไม่มีใครอยามีความทุกข์ด mm hmm. ิฉันเคยได้ยินท่านกล่าวแววว่าว่าการจะอธิบายมักแตกมีวิธีหลายวิธีขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่จะฟังเรื่องนี้เป็นใคร mm hmm. อ่าก็เลยอยากจะกลับเรียนถามท่านเลยคะ่ะว่าสมมุติว่าเป็นมุมของคนที่อยากจะให้ใ ห, ให้ได้รับกำลังใจ mm hmm. อ่าจะฟังม่กแตดอย่างไรดีคะอันนี้เราจะเปรียบเทียบอย่างนี้ได้ อันนี้เป็นอุปมาอุมัยของอริมาเองนะคะือถ้าเราจะอธิบายคําสอนของพุทธะทั้งหมดเราจะอธิบายคําสอนของพุทธะทั้งหมดนี่อันนี้พระพุทธเจ้าตรตัสไว้ว่ า, าทุกอย่างก็จะมารวมลงในมรรคแปอันนี้เป็นพุทธพจน์ด้วยนะว่าธรรมะทุกอย่างเนี่ยจะไม่มีอะไรเกินไปจากมรรคแท่านพระสารีบุตรเปรียบเทียบกับรอยเท้าช้างว่าจะรอยเท้าสัตว์บกทั้งหมดนะ่ยจะเป็นรอยเท้าจิ้งจกตุกแกเสือมา้าอะไรจะไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่ารอยเท้าช้าง โดยรอยเท้าช้างเนี่ยเปรียบเหมือนกับมรคแปดนะตัวต่มาเองก็จะเปรียบเทียบในลักษณะนี้ว่าเรามองเพชรเม็ดหนึ่งถ้าเรามองเพชรเม็ดหนึ่งเนี่ยมองจากมุมด้านบนมันก็จะเห็นเป็นกลมๆใช่ปะแต่ถ้าคุณจะมองจากด้านหน้ามันจะเห็นเป็น5เหลี่ยม6เหลี่ยมมองจากมุมหนึ่งก็จะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมข้าเนียวเปลือกปูนขนมเปียกปูอย่างนี้เป็นตนนะมันก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันไปแต่ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นอันเดียวกัน ก็จะไม่เกินมาร์กแปไปเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราจะต้องการอธิบายธรรมะจากแง่มุมของที่คุณยมติวตามาสกักุลเนี่ยว่าต้องการจะให้เกี่ยวกับเรื่องของการมีกําลังใจแต่เราก็ควรจะอธิบายด้วยแง่มุมของพละ5 ห, หรืออินทรีย้านั่นพะละนี่คือกําลังแต่เราจะทำไงให้จิตใจเรามีกําลังเอางี้ให้คุณต้องพูดถึงใน อ, อินทรีหา้าถ้าเราจะพูดถึงการทํางานล่ะจะทํางานยังไงให้งานชั้นไปได้มีความก้าวหน้า เดทไลน์ <Dead> ไม่เลื่อนนะแล้วก็ทำไปได้นะเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงอิทธิบาท4า่ถ้าเราจะพูดถึงการภาวนาทำไงให้บรรลุเร็วก็ต้องอินรีอย่างเป็นต้นทีนะ น, นี้ถ้ากลับมาถึงจุดที่ว่าคนโยมติวถา ม, มาเอาทำไงให้มีกำลังใจใก็พละ5อย่างนะพละ5อย่างเริ่มต้นมาตั้งแต่เรื่องของศรัทธานะพละ5มีอะไรบ้างทนะำความเข้าใจใีนิดนึงคือศรัทธาวิริยะ สติสมาธิและปัญญา5อย่างนี้เนะี่ยก็เรียกว่าเป็นธรรมะที่จะไม่มีพลังพลังในการอะไรพลังในการที่เราจะให้มีธรรมะอยู่ในใจของเราพลังในการที่จะให้มีกำลังใจในการทำในการปฏิบัติเนะี่ยพลังในการที่จะให้มีความก้าวหน้าในเรื่องธรรมะหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้มีกาลังใจว่างนั้นเถอะค่ะเนเริ่มต้นด้วยศรัทธาที่ที่ศรัทธาวิริยะนี่นะวิริยะตรงเนี้ย คือการทําจริงแน่วแน่จริงเราจะมีการทําจริงแน่วแน่จริงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ไม่ย่อท้อเจออุปสรรคก็ไม่ท้อถอยเดินหน้าลุยสู้ไม่ถอยเลยเนี่ยนะคุณจะมีความทําจริงแน่วแน่จริงนะคุณต้องมีความมั่นใจสตาน์ใยแปลว่าความมั่นใจสตาร์นี่คือความมั่นใจนะมั่นใจในอะไรมั่นใจนี้แยกแยะยังไงเราก็คือมั่นใจในกระบวนการวิธีการที่คุณทําคุณจะทําอะไรอ่ะคุณจะทําจริงนี่คุณจะทําอะไร เช่นถ้าเป็นธุรกิจอะไรอย่างเช่นนะาบางคนจะค้าขายค้าขายอะไรคุณค้าขายอะไรขายขนมมีเป็นต้นคุณจะขายขนมคุณมั่นใจในขนมคุณไหมว่ามันอร่อยแต่คุณมีความมั่นใจตรงนี้ในกระบวนการวิธีการแต่ถ้าเราจะพูดในทางธรรมาก็คือในธรรมานั่นเองในธรรมโมมั่นใจในธรรมโม น, น, นี้คือข้อที่1นึ่งในข้อที่2เกี่ยวกับเรื่อ ง, องความมั่นใจคือสัตธาตรงนี้ ก็ค so ือต้องมีความมั่นใจในผู้ที่เขาทําสําเร็จมาก่อนแล้วผู้ที่เขาทําสําเร็จมาก่อนแล้วเช่นว่าถ้าคุณทําธุรกิจอันนี้เช่นคุณเล่นทุนอย่างนี้เป็นต้นนะคุณมีวิธีการเล่นทุนอย่างนี้อันนี้คือทำโมนะคือทำมะเอาละใครที่เคยทําสําเร็จมาแล้วบ้างไอ้ตรงตัวอย่างที่เคยทําสําเร็จมาแล้วเนี่ยคุณมีความมั่นใจว่าเขาทําจริงนะแล้วเขาสำเร็จจริงๆเนี่ยอันนี้คือถ้าในทางธรรมะนะก็คือพุทโธคือพระพุทธเจ้านั่นคือพระพุทธเจ้า แล้วถ้าบอกว่าเราต้องมีความมั่นใจว่าถ้าใครก็ตามอ่ะนายกนายขอนายดำนายขาวเขาทําตามกระบวนการนี้แล้วเนี่ยเขาก็ต้องสําเร็จเหมือนกันนะอันนี้ก็คือสังโคเผยง่ายคือให้มีศรัทธาในธโมพุทโธและสังโคนี่คือศรัทธาคือความมั่นใจใถ้าสมมติว่าเรามีความเอ้ยฉันศรัทธาน่ะแต่ไม่เกิดการทําจริงใช่ปะ่ะไม่เกิดการแน่แน่จริงแต่ว่าศรัทธาคุณน่ยมันไม่ได้เรื่อง มันไม่ได้ศรัทธาอเลยต๊อสักอย่างใดอหนึ่งต้องพร่องไปจากสาอย่างนี้ <ując S 1> เป็นศรัทธาหัวเต่าบ้างเป็นศรัทธาแบบปุบปุโปรเป็นศรัทธาแบบไม่จริงจังอะนรเขาไม่เรียกศรัทธาก็ไม่เรียกมั่นใจล่ะก็เรียกหลอกตัวเองอย่างนี้นะค่ะอ้าวแล้วถ้ถาสมมติว่าฉันหลอกตัวเองฉันยังไม่มั่นใจเต็มที่ฉันจะเพิ่มความมั่นใจได้อย่างไรอะไรเป็นเหตุปัจจัยของศรัทธาล่นะก็คือทุกนันเองทุกเนี่ยเป็นธรรมอันเป็นที่ตั้งของศรัทธา อันนี้เป็นบุตรปณนะค่ะเราจะทําให้ศรัทธาเกิดขึ้นได้คุณต้องเห็นทุกันเองเห็นทุกแล้วมันจะเห็นธรรมเนี่ยอันนี้ก็เป็นพุทธบุตรเหมือนกันเห็นทุกจึงเห็นธรรมเนี่ยแล้วเห็นทุกแบบไหนมันถึงจะเห็นธรรมได้เออเห็นทุกแบบไหนจึงเห็นธรรมได้ทํายังไงที่เจอความทุกข์อยู่เนี่ยเราถึงจะมีธรรมะนหนึ่งในข้อนั้นก็คือคุณต้องมีปัญญามีการไข้ครวญโดยยาคายโยนิโสมนสิการอาจจะมาจะพูดรวบเลยอย่างน้อย2อย่างที่คุณจะต้องมีนะ ในการที่จะเปลี่ยนจากทุกให้เป็นศรัทธาได้เนี่ยทุกเนี่ยทุกคนมันเจออยู่แล้วเนะี่ยทุกคนเจออยู่แล้วอาจจะแฝงมาในรูปของความสุขบ้างอาจจะมาในรูปของทุกขเวทนาบ้างมีหมดนะพอเราเจอความทุกเราจะเปลี่ยนจากความทุกเนี่ยให้เป็นศรัทธาได้อย่างไรนนหนึ่งด้วยการโย น, นิโสมนสิการคือต้องเห็นด้วยปัญญาปัญญานี่มาจากไหนเดี๋ยวจ ะ, จะพูดต่อไปข้อที่2คุณต้องมีกัลยาณมิตรคือมีเพื่อนดี มีอาจจะเป็นคนแนะนําครูบาอาจารย์ถ้าเราเปรยียบเทียบ ม, มาเรื่องการทำาหากินอย่างเงี้ย น, นะอาจจะมีคนสอนวิธีการทําขนมของเรามีคนสอนเรื่องของการเล่นหุ้นให้เราเฮ้ยนี่คนนี้ก็เป็นกลัลยาณมิตรนะอย่าเป็นกลัลยาณมิตรมาชี้ช่องให้ว่าอ๋อวิธีแก้ตรงนี้ให้มีความมั่นใจเราจะมีความมั่นใจเกิดขึ้นได้แตนะ่พอมีความมั่นใจแล้วนะอาศัยปัญญาอาศัยกลัลยาณมิตร นะซึ่งกัลยาณมิตรนี้จะหมายถึงเพื่อนของเราก็ได้หรือหมายถึงครูบาอาจารย์หรือหมายถึงพระพุทธเจ้าหรือหมายถึงธรรมะมวได้บนหนึ่งนั่นก็เป็นกันลยาณมิตรได้เนาะทีนี้พอเรามีความมั่นใจแล้วมีการทําจริงแน่แน่จริงแล้วเนี่ยสติจะเกิดขึ้นมาสติจะเกิดขึ้นมาคือเพราะว่าถ้าบางทีทําจริงแล้วมันมันเลยไปสติมันก็จะความลงหรือทําจริงน้อยเกินไปสติมันก็จะไม่เกิด เราลองทําจริงดูปิดพลาดพลั้งตรงนี้อ๋อ slip, นี่เกินไปอันนี้ใช้งานไม่ได้เราจะหาจุดสมดุลตรงนี้คือสติมันจะเกิดเอนะสติมันจะเกิดพอมีสติเกิดแล้วนะมันก็จะเริ่มทำใจิตให้เป็นอารมณ์เดียวคําว่าจิต ท, ที่เป็นอารมณ์เดียวนั่นก็คือสมาธินั่นเอง hier. คำว่าพอตั้งสติได้เนี่ยคือมันเริ่มเห็นจุดสมดุลละพอเรามีจุดสมดุลแล้วพอตั้งสติได้แล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มปรับให้มันแบบดีมากยิ่งขึ้นตรงนี้คือสมาธิ น, นี่คือสมาธิอย่างเช่นว่าเราต้องการกำลังใจในการทำมาหากินหรือแก้ปัญหายอย่างใดอย่างหนึ่งมีสถานการณ์ปุ๊บเนี่ยเราจะแก้ปัญหายอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยคุณต้องมีกระบวนการพวกนี้มีศรัทธามีความมั่นใจในกระบวนการมีการทําจริงแน่แน่จริงจิตคุณจะต้องหาจุดสมดุลให้ได้ว่าช่องทางมันอยู่ไหนปุ๊บแล้วเนี่ยพอจิตเราได้จุดที่แบบมันนิ่งได้การตัดสินใจตรงนี้มันจะดีการตัดสินใจอันเป็นผลของสมาธิก็คือปัญญา น, นั่ ปัญญาที่เกิดขึ้นนี้ถ้าในทางธรรมก็คือการเห็นความไม่เที่ยงเห็นเครื่องหมายของภาษาต่างๆที่มันมากระทบนะว่าเครื่องหมายคือ น, นิมิตของภาษาต่างๆเนี่ยมันมีความไม่เที่ยงอย่างไรมีความเป็นหน้าตาอย่างไรแต่พอมีปัญญาตรงนี้เกิดขึ้นมีความคมมีการมองที่เห็นทะลุไปนว่าอ๋อสถานการณ์แบบนี้จะแก้อย่างนี้การงานอาชีพนี้ฉันจะทําอย่างนี้มี แผนมีการทําอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมีความมั่นใจกลับมาตรงในข้อแรกแต่พอมีปัญญาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะถึงความมั่นใจว่าโอ้ไอ้ที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยแม่มันมันสำเร็จอย่างนี้นั่นเองแต่ธรรมะที่เรารู้มาเรียนมาเนี่ยแม่มันเราเข้าถึงธรรมะนั้นด้วยนามกายเป็นอย่างนี้เองสิ่งที่เราอ่านหนังสือามาเคยฟังคนนั้นก็ว่าเงาินงนี้มาเนี่ยที่มันวางได้เนี่ยโอมันวางอย่างนี้เองแล้วคุณจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมาอีก เรามีความมั่นใจในผู้สอนคือผู้โทมีความมั่นใจในกระบวนการคือตโมมีความมั่นใจในสิ่งที่เราทํามาได้เป็นสังโฆแล้วเนี่ยยิ่งจะมีการทําจริงแน่แน่จริงเนีเป็นวิริยะวิริยะเนี่ยนะแปลว่าความกล اء, ้าหมาไปถึงการทําจริงแน่แน่จริงแล้วบางคนก็จะแปลว่าความเพียรเนี่ยแหละนะก็คือความกล้าในการทําจริงแน่แน่จริงมันก็จะไม่เกิดสติสติก็ําให้เกิดสมาธิปัญญาปัญญาก็จะวนกลับมาทําให้เกิด ศรัทธาคือความมั่นใจนันก็จะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆยิ่งดีขึ้นยิ่งดีขึ้นนันเป็นเหมือนกับว่าเราขันเกลียวน็อตให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นนี่แหละมันก็จะค่อยไปค่อยไปกําลังใจเราก็จะตั้งกันได้ค่ะนี่คือเรื่องของพละ5่านั่นคืเราจะอธิบายธรรมะให้เป็นอย่างเนี้ยให้ให้ผู้คนเข้าใจธรรมะจากมุมมองของวฉันต้องการกําลังใจในการปฏิบัตินะเอาคุณต เ, เริ่มตรงนี้ต้องกระบวนการเป็นอย่างนี้เราก็จะเพิ่มขึ้นได้เพิ่มขึ้นได้ ตามที่เราทำนั่นเองค่ะก็คือว่ า, าในส่วนของกำลังใจถ้าอยากจะได้รับเนี่ยเราหันเข้ามาหามารกแแต่เราทำความเข้าใจได้ง่ายๆกับเรื่องของอินสี่ห้าใช่พูดอย่างนี้ได้ใช่ไหม่ใ ช, ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอทุกเนี่ยอารมาก็จะขอแสดงความยินดีด้วย <laughs> เพราะว่าทุกเนี่ยมันจะทำให้เรา มีความมั่นใจได้มีศรัทธาได้พอเรามีศรัทธาแล้วเราจะมีกําลังใจในการปฏิบัติเลยเพราะฉะนั้นคนที่เจอทุกข์เนี่ยอย่าลืมถือคนที่เจอทุกข์เนี่ยเนี่ยแล้วทําไมเขาถึงแบบไม่ผางออกไปทางที่จะทำให้เกิดศรัทธามีการปฏิบัติทําจริงนแน่จริงมีกำลังใจต่อสู้ทําไมบางคนเนี่ยเจอทุกข์แล้วก็ยังจมอยู่ในกองทุกข์นั่นแหละไม่ไม่ไปไหนสักทีทำใหมอันนี้มีปุทธประกหนึ่งนะ พระบุตรยาบอกผลของความทุกข์มีสองอย่างผลของความทุกข์มีสองอย่างคือหนึ่พอเจอทุกข์แล้วเนี่ยก็ร่ำให้คร่ําครวนตุกบกชกตัวถึงความเป็นผู้งุ่มงมงคลั่งเพอก็คือแบบจมอยู่ในกองทุกข์หรือ 2. มีการสแสวงหาทางออกของความทุกข์นี้ว่าเอ๊ะใครน่าจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองมิติความทุกข์หนึ่งมีความหลงไหลเป็นผลหรือมีการสแสวงหาที่พึ่งภายนอกเป็นผลนี่แหละ คือผลของความทุกข์อย่างคือ1มีความหลงไหลเป็นผลหรือมีการแสวงหาที่พึ่งภายนอกเป็นผลเอาทําไมคนที่1ต่างกับคนที่สอง<น>ทำไมคนที่2ก็ถึงสามารถที่จะไปแสวงหาทางออกของความทุกข์ได้ทําไมคนที่1นึ่เขายังจมอยู่ในกองทุกข์ได้ทางั้านที่สองคนเนี่ยเจอทุกข์เหมือนกันเห็นโทษของทุกข์เหมือนกันเห็โทษโทษของ เ, ออเช่นรูปเป็นต้นอย่างเงี้ยนะนแกะแ่เหมือนกันอย่างเงี้ยโวยเหมือนกันอย่างเงี้ย คุณเข้าโรงพยาบาลคุณมีอะไรอย่างเขาเรียกว่าเท้ากาเนี่ยนะอยู่ตามคิ้วเนี่ยตีนกาเออ น, <ะ S 2> นั่นแหละแล้ ว, <นะ S 2> ลวคุณก็ไปฉีดโบทงบท อ, อกอะไรเนี่ยนะ <c oughs> อันนี้คือคุณคุณจมอยู่ในกองทูกแล้วคุณเห็นโทษของความทุกแล้มันคือความแก่ความตายอย่างนี้ไปต่อเนี่ย้าไม่คนแรกถึงถึงจมเห็นโทษเฉยๆในขณะที่คนที่สองเห็นโทษเหมือนกันแล้วเอ้ยแล้วไปทางอื่นได้เน่เพราะว่าตรงนี้มีที่เราต้องรอบรู้เรื่องของทูกตรงนี้ต้องเป็นปัญญาด้วยใช่ไหม ก็คือว่า1ึงคุณรู้โทษของมันแล้วคุณต้องรู้อุบายในการระมอกอุบายในการระมอกจากความทุกข์นะคือหนึ่งเรารู้ข้อดีของทุกนะคือทุกเนี่ยเราต้องรู้อยู่สีอย่าง 1. ข้อดีของมัน 2. ข้อเสียของมันคือโทษของมันแล้วสาคืออุบายในการระมอกอย่างน้อยสาข้อตรงนี้ต้องมีนะเราเห็นสุขของมันแล้วเราเห็นโทษของมันแล้วสิ่งที่สาม ต้องเห็นอุบายในการน้ำหมอกด้วยเห็นเฉยเฉไม่ได้ต้องทําไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนกลุ่มแรกที่เขาเจอโทษของความทุกข์แล้วเขาก็ยังมีความหลงใหลเป็นผลเนี่ยเพราะว่ายังไม่สามารถปฏิบัติตามอุบายในการนําหมอกได้แล้วทําไมคนที่2องเขาถึงปฏิบัติตามอุบายในการน้าหมอนี้ได้อุบายในการนําหม อ, อนี้คืออะไรก็คือการตั้งจิตไว้ให้ถูกต้องคือมักแผ่นั่นเองคือมักแผนั่นเองนต่นว่าใครน้อจะรู้ทางออกของความทุกข์เนี่ยสัก1 ห, หรือ2วิธี นะตรงนี้คุณจะมาทางนี้ได้คุณก็ต้องตั้งจิตให้ถูกตั้งสติให้ได้เสร็จปุ๊บหรืออาจจะมีเพื่อนดีชักนํามาคุณก็จะมาเจอศรัทธาตรงนี้มีความมั่นใจในกระบวนการในผู้สอนและในการกระทำนั่นคือทมโมพุตโตสังโฆแล้วคุณก็จะทำได้ถ้าไม่มีกำลังใจออกมาได้นั่นเองค่ะแล้วจะทำให้เราเนี่ยพอเมื่อหาทางออกจากทุกข์ได้ แล้วหรือเปล่าคะถึงจะค่อยกลับมาเห็นว่า เ, ออเรานี่หนอโชคดีจริงๆที่ได้เห็นทุกเพราะเป็นไปตามที่พระพุทโธตรัสไว้เลยว่าเห็นทุกเห็นธรรมใช่ใช่แต่คุณจะเห็นอริยสัจเศตรงเนี้ยว่าอ๋อทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้อย่างนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรละไอ้เจ้าสิ่งที่ควรละคือตัณหาต่างหากเราจะมีความเข้าใจตรงเนี้ยพระพุะะทธเจ้าใช้บทเพียนชนะว่าธรรมะใดที่เรารู้มาแล้วในการก่อนเนี่ เราถูกต้องทำมานั้นด้วยนามกายแล้วเห็นอยู่ด้วยปัญญาชัดเจนคือเรารู้อะไรมาเนี่ยอ๋อแหมเราโง่บางนานนาะทุกมันต้องรู้อย่างนี้เข้าใจอย่างนี้มันแหมโง่บางนานคือเหมือนคนที่แบบถูกเขาเอาผ้าผ้าเก่าเก่าเน่าเน่ามาหลอกว่าเป็นผ้าขาวเนื้อดีอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วคนนี้เขาเป็นคนตาบอดด้วย <c oughs> เขาก็ไม่รู้มันเก่ามันเน่าหรือมันสะอาดมันดีกันแน่นะพอ เขาตาดีขึ้นมาไหนมีคนมารักษามีหมอมารักษาอา้าวพอมาเห็นว่าผ้านี้มันผ้าเน่ามันผ้ า, กาเก่าก็จะรีบทิ้งไปทันทีไหนจะเห็นอยู่อย่างถูกต้องทันทีพอคนเรามีปัญญาแล้วอะรู้แล้วว่าโอ้ความทุกข์มันเป็นอย่างงี้ก็ในเมื่อมันทุกข์อย่างนี้แล้วเราจะเอาความทุกข์นั้นเป็นของเราทําไมเราไม่โง่เราไม่ควรโง่ว่าเอาทุกข์มาใส่หัวเรางั้นเราก็วางทุกข์นั้นเสียวางผ้าร้าหนังนั้นเสีย วางขนาันหน้านั้นเสียียยเด๋วจะวางกันหน้าได้ไม่ใช่ว่าเอออะไรก็พูดพูดเป่าวๆว่าฉันละฉันวางแล้วมันไม่ได้คุณต้องตัดตัณหาออกจะตัดตัณหาออกลต้ตนาได้คุณต้องเดินตามมรรคมันจะเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะค่ะตามนี้ค่ะนะคะท่านฟังเขาวันนี้อนี่เป็นเรื่องต้องถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ถูกไหมคะมเพราะว่า ค, คือ <นะ S 2> ธรรมะทุกอย่างเพราะพระพุธองนั้นตรัสว่า ในธรรมะทุกอย่างไม่มีอะไรเกินกว่ามัด8และ ว, วันนี้สิ่งที่ท่านพริบุญได้กล่าวไปก็คือเรื่องของมัด8แต่ว่าเป็นมัด8ที่มาอธิบายในแง่มุมของเรื่องกําลังใจด้วยธรรมในกลุ่มที่เรียกว่าพระห้าใช่พระห้ามีศรัทธามีวิริยะมีสติสมาธิปัญญาต้องมีศรัทธาในพุโทโธธรรมโมสังโฆใช่นะคะแล้วก็จะเกิดปัญญา โดยที่ทั้งหมดนั้นเป็นการเดินมัดอยู่ในตัวเลยถูก ต, ต้องค่ะอยู่ที่ว่าเรามองมุมไหนแค่นั้นเองค่ะแต่ท่านชอบคําว่าเห็นทุกเห็นธรรมนะคะใช่นี่เป็นเป็นปพุทธพจน์ครับท่านคะแต่ทีนี้เคยได้ยินว่าสุขนี่ก็คือทุกในความหมายของพระพุทธเจ้า<อ>ใช่นะคะทีนี้ก็เท่ากับว่าสมมุติขณะนี้ดิฉันมีความสุขนะกําลังมีความรักเลยอืม ฉันเห็นธรรมะไหมคะเราต้องแยกสุขนะคือในที่นี้ที่บอกเห็นสุขเนี่ยมีความสุขเนี่ยอันนี้เราต้องเฉพาะเจอจงลง ы, ไป ว, ว่าคือสุขเวตนานั่นคือสุขเวตนาทีนี้เวทนาเนี่ยมันเกิดทุกๆทุกอย่างมันเกิดในทุกอย่างคุณอย่าตื่นตื่นไปว่าคุณเข้าสมาธิได้คุณก็มีสุขเวตนาคุณกินอาหารอร่อยคุณก็มีสุขเวตนาหรือมางทีนนคุณวางนั่งสมาธิแล้วคุณวางลงไปได้เห็นธรรมอย่างเงี้ยคนที่เขาบรรลุธรรมเขาก็มีเวทนา ใช่ไหมมีสุขเวทนาเกิดขึ้นแต่ว่าเป็นสุขเวทนาที่หยาบละเอียดไม่เหมือนกันถ้าเป็นเวทนาที่เกิดจากกามอันนี้ก็หยาบหน่อยถ้าเป็นเวทนาที่เกิดจากสมาธิอันนี้ก็มีความละเอียดขึ้นมาเ น, น, นีอยนะีะคือเห็นเวทนาตรงนี้นะค่ะแล้วที่บอกว่ า, เ, าเห็นธรรมหรื อ, อยังมีความสุขอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้เอาใจเอาเวทนาตรงนั้นแต่เราจงที่ว่าเราจะเข้าใจเวทนานั้นได้อย่างถูกต้องในที่นี้ถ้าผมว่า คนที่เขายังติดยืดในเวทนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุขแบบไหนก็ตามเนี่ยเช่นถ้าคนที่ติดยืดในสุขที่เกิดจากสมาธิอย่างเงี้ยนะเขาก็เพลินไปตรงนั้นได้เหมือนกันนะมันก็จะวางไม่ได้มันก็จะละเอียดขึ้นไปเป็นขั้นเหมือนกันนะจากที่คุณติดในเรื่องกลางเอาคุณวางตรงนี้ได้แหมมันจะเป็นเวทนาอีกแบบหนึ่งที่จะละเอียดขึ้นเป็นสุขเวทนาที่จะละเอียดขึ้นมากกว่าที่กินอาหารอร่อยก็เข้าใจนะสมมุติเราวางได้ใช่ไหม ระวังที่เราติดยึดในรถอาหารอย่างนี้นะติดในความสวยระวังได้ปุ๊บเนี่ยตอนนั้นไอ้ที่ตอนนั้นเป็นเวทนาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะพอระวังสิ่งนั้นได้เนี่ยมันก็จะเกิดสุขเวทนาอีกแบบหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นสุขเวทนาที่เกิดจากความรู้ยิ่งรู้พร้มนิพานอันนี้เป็นเนคขมารัานิกออกแล้วสุขเวทนะแบบที่2ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะละเอียดดีขึ้นประเด็นดีขึ้นแต่ยึดติดได้ไหมไม่ได้เพราะว่าถ้าเราวางตัวนี้ไม่ได้มันก็จะไปต่อไม่ได้แต่ถ้าเราวางได้ มันก็จะไปต่อได้ก็จะเป็นเวทนาที่เลี่ยนเลี่ยขึ้นไปจนกระทั่งเราเห็นว่าโอ้เวทนาทั้งหมดเนี่ยยึดถือไม่ได้เลยนะรวมลงในความทุกข์นะมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆตามลําดับอย่างนี้ไปนะจตุรพัค่ะสาธุค่ะค่ะนึกฟังค่ะวันนี้นําเอาธรรมะเหล่านี้ไปใช้ได้เลยนะคะในชีวิตทุกๆวันเราจะได้มีวิธีที่จะมีกําลังใจอย่างถูกต้องตามคําสอนของพระศาสดาและเหนือสิ่งอื่นใดนะคะ การเริ่มต้นของวันของทุกทุกท่านก็จะทำให้ทุกวันของท่านเป็นวันที่ดีตามที่ท่านเพบุญได้แนะนำในช่วงต้นว่าวันดีไม่ดีไม่ได้อยู่ที่เลิกยามใครให้ไว้แต่อยู่ที่เราเองจะทำให้วันนั้นเป็นวันดีหรือไม่ทันทีที่ตื่นมาปุ๊บท่านสามารถทำให้วันของท่านเป็นวันดีได้เลยแล้วถ้าหากว่า ทำลำพังรู้สึกว่ายังไม่ดีพอก็มาเปิดฟังรายการนี้คุณจิงตั้งวิทยุอะไรนะคะตั้งเวลาเริ่มต้นของรายการท่านพิบุญก็จะเริ่มให้ธรรมะให้เราได้นำธรรมะเนี้ยไปใช้ในแต่ละวันแต่ละวันแล้วก็จะได้เป็นวันดีของท่านนะคะวันนี้พอควรแก่เวลาแล้วมั้งคะท่านคะเย็บบาน นะคะกราบนมัส ก, การขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะนมัส ก, การ <ไป S 2> ค่ะท่านผู้ฟังคะและนั่นก็คือพว่วงนวยการหลักสูตรเรีนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีนะคะพระมหาภัยบุญอภิปุณโณในรายการวิทยุที่ท่านได้มาพบกับพวกเรานั้นในส่วนของที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวอ็มร้อยหทุกทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันพุธนะคะท่านก็จะให้ธรรมะท่านผู้ฟังโดยทั้งรายการเนี่ย หรือตัวท่านเองส่วนวันพระหัสสบดีกับวันศุกร์ดิฉันสัมณีนาคพง์นะคะจะสนทนากับท่านและเรามีการรวบรวมการดำเนินรายการหนึ่งปีที่แล้วเพื่อที่จะมาให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสทบทวนกันฟังซ้ำเก็บไว้เป็นสมบัติของท่านนะคะด้วยการทำเป็นแผ่นซีดีเป็นชุด มาแจกให้มีจานวนจำกัดนะคะท่านสามารถแสดงความจำนงที่จะขอรับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่ันกำลังจะแจ้งให้ทราบดังต่อไปนี้ค่ะพูดถ่วงเวลาให้ท่านปรึกาานะคะ021266106 021266106ค่ะนะคะแล้วก็ขอให้ ท่านนั้นได้มีความสุขมากขึ้นทุกน้อยลงจากการได้ความรู้ธรรมะจากรายการสรนสนีสนทนานะคะวันนี้เราลากันไป<ม>แต่เพียงเท่านี้พุทธวสวัสดีค่ะ